ฝ่ายพระเจ้ากาศิกราชได้ทรงสดับคำของสุนันทสารถีจึงตรัสสั่งให้เรียกมหาเสนาคุตตะรีบร้อนใคร่ให้ทำการตรเตรียมเสด็จตรัสว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหลายจงเทียมรถเทียมม้าจงผูกเครื่องประดับช้างจงบรรเลงสังและบรรดจงตีกรองหน้าเดียวจงตีกรองสองหน้าและรัมนาอันไพเร ขอชาวนิคมจงตามเรามาเราจะไปให้โอวาดแก่ลูกชายนางสนมกุมารพ่อค้าและพร้อมทั้งหลายจงรีบเตรียมยานเราจะไปให้โอวาดแก่ลูกชายพวกกองพลช้างกองพลเมฆกองพลรถกองพลราบจงรีบเตรียมยานเราจะไปให้โอววาดแก่ลูกชายชาวชนบทและชาวนิคม จงมาประชุมรีบเตรียมยานเราจะไปให้โอวาสแก่ลูกชายบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าจงบรรเลงอุทีระยันตุได้แก่จงบรรเลงสนันคำว่าจงตีณนะทันตุได้แก่จงเปล่งเสียงคำว่ากลองหน้าเดียวเอกโอคาราได้แก่กลองหนึ่งหน้า คำว่ากลองสองหน้าสันนัตธาได้แก่พุ่มไว้อย่างดีคำว่าอันไภเราะวัคคูได้แก่มีเสียงไภเราะคำว่าเราจะไปคัดฉังได้แก่จากไปคำว่าให้โอวาดแก่ลูกชายปุตตะนิวาตโกความว่าเราจะไปกล่าวสอน คือให้โอวาดแก่ลูกชายพระเจ้ากาสิกราตรัดอย่างนี้ด้วยมีพระราชประสงค์ว่าเราจะไปเพื่อกล่าวสอนเตมียะกุมานให้เชื่อถือคำของเราแล้วอภิเศกตั้งเขาไว้ในกองรัตนะณที่นั้นแหละแล้วนำมาคำว่าชาวนิคมเนคมาได้แก่พวกคนมีทรัพย์คำว่ามาประชุม สมาคตาความว่าจงประชุมกันตามเรามานายสารธีทั้งหลายที่พระราชาตรัสสั่งอย่างนี้แล้วก็เทียมม้าจอดรถไว้แทบประตูพระราชวังแล้วกราบทูลให้ทรงทราบ พ, พระศาสดาเมื่อทรงประกาศความข้อนน้นตรัสว่านายสารธีทั้งหลายจูงมาที่เทียมรถและม้าสินทบซึ่งเป็นพาหนะว่องไว มายังประตูพระราชวังและกรอบทูลว่ามาทั้งสองพวกนี้เทียมเสร็จแล้วบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าม้าสินทพสินเวได้แก่ม้าที่เกิดลุ่มแม่น้ำสินทุคำว่าซึ่งเป็นพาหนะว่องไวสีขะพาหเนะความว่าจูงม้าทั้งหลายที่ถึงพร้อมด้วยความเร็ว คำว่าสารถีแปลว่านายสารถีทั้งหลายคำว่าเทียมยุตเตได้แก่เทียมที่รถทั้งหลายคำว่าจุงมาอุปาคันฉุงความว่านายสารถีเหล่านั้นจูงมาทั้งหลายที่เทียมไว้ที่รถทั้งหลายมาครั้นมาแล้วได้กราบทูลว่ามาสองพวกเหล่านี้เทียมไว้แล้ว แต่นั้นพระราชาตรัสว่ามาอ้วนเสื่อมความว่องไวมาผอมเสื่อมถอยเรี่ยวแรงจงเว้นมาผอมและมาอ้วนเสียจัดเทียมแต่มาที่สมบูรณ์บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเว้นมาผอมและมาอ้วนกีเสถูเลวิวัตชิตตัวความว่าพวกท่านอย่าเทียมเหล่ามาผอมและเหล่ามาอ้วน ข้อว่าจัดเทียมแต่ม้าที่สมบูรณ์สังสัทธาโยชิตาหยาความว่าเทียมม้าที่ประกอบด้วยวัยวันณนะความว่องไวและกำลังลำดับนั้นพระราชาเมื่อเสด็จไปสำนักพระราชโอ ร, รสตรัสสั่งให้ประชุมวันณะสี่เสนีส8แปและพล น, นิกายทั้งหมดประชุมอยู่สามวัน ในวันที่สพระเจ้ากาสิกราชเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยเสนาให้เอาทรัพย์ที่พอจะเอาไปได้ไปด้วยสเสด็จถึงอาสมแห่งเตมิยะราชฤษีทรงยินดีกับพระราชฤษีผู้เป็นราชโอรสทรงทำปฏิสันฐานแล้วพระศาสดาเมื่อทรงประกาศความข้อนั้นตรัสว่าแต่นั้น พระราชารีบเสด็จขึ้นประทับบนม้าสินทบอันเทียมแล้วได้ตรัสกับนางในว่าจงตามเราไปทุกคนเตรียมเครื่องราชกกุฏพันหคือพัดวาลวีชนีพระอุณหิตพระขันสเสวตฉชัรและฉลองพระบาททองให้นำขึ้นรถไปด้วยแต่นั้นพระราชาตรัสสั่งให้นายสารถีนำทาง เสด็จเคลื่อนขบวนเข้าไปถึงสถานที่ที่พระเตมิยราชฤาษีประทับอยู่โดยพลันพระเตมิยราชฤาษีทอดพระเนตรเห็นพระราชบิดากำลังเสด็จมาประหนึ่งรุ่งเรืองด้วยพระเดชานุภาพทรงแวดล้อมไปด้วยหมู่อมรรจึงถวายพระพรว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษพระองค์ทรงปราศจากพระโลคาพาทหรือ ทรงเป็นสุขสาราญดีหรือราชกัญญาของพระองค์และโยมารดาของอาตามภาพไม่มีพระโรคาพาธหรือพระราชาตรัสตอบว่าลูกรักพ่อไม่มีโรคาพาธสุขสาราญดีราชกัญญาทั้งปวงของพ่อและโยมารดาของลูกรักหาโรคภัยมิได้ลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ทูลถามพระราชาว่า ขอถวายพระพรมหาบาพิษไม่เสเวยน้ำจันทร์ไม่ทรงโปรดน้ำจันทร์หรือพระหฤทัยของมหาบาพิษทรงยินดีในสัจจะในธรรมและในทานบ้างหรือลำดับนั้นพระราชาตรัสตอบว่าลูกรักพ่อไม่ดื่มน้ำจันทร์ไม่โปรดน้ำจันทร์อันหนึ่งใจของพ่อยินดีในสัจจะในธรรมและในทาน พระมหาสัตทูลถามว่าพาหณนะมีมาและโคเป็นต้นของมหาบาพิษที่เขาเทียมในยานไม่มีโรคหรือนาอะไรอะไรไปได้หรือมหาบาพิษไม่มีพยาตที่เข้าไปแผดเผาพระสรีระหรือพระราชาตรัสตอบว่าพาหณนะมีมาและโคเป็นต้นของพ่อที่เขาเทียมในยานไม่มีโรค อันหนึ่งพาหนะนำอะไรอะไรไปได้และพ่อไม่มีพญาติที่เข้าไปแผดเผาสรีระพระมหาสัตทุนถามว่าปัจจันตะชุนบทของมหาบาพิษยังเจริญดีอยู่หรือความนิคมในถ้มกลางรัตสีมาของมหาบาพิษยังเป็นปึกแผ่นดีหรือช้างหลวงและพระคลังของมหาบาพิษยังบริบูรณ์ดีอยู่หรือ พระราชาตรัสตอบว่าปัจจันตชนบทของพ่อยังเจริญดีอยู่คามนิคมในถ้ำกลางรัฐศีมาของพ่อยังเป็นปึกแผ่นดีอยู่ช้างหลวงและพระคลังของพ่อทั้งหมดยังบริบูรณ์ดีอยู่พระมหาสัตทูลว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษเสด็จมาดีแล้วพระองค์เสด็จมาไกลก็เหมือนใกล้ราชบุรุษทั้งหลาย จงทอดราชบัลังให้ประทับนั่งเถิดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าฉลองพระบาททองให้นำขึ้นรถไปด้วยอุปาทีรัฐมารุหะความว่าขนฉลองพระบาททองขึ้นรถพระราชาทรงสั่งว่าพวกท่านจงเอาเครื่องราชกกุพันห้าอย่างไปด้วยเพื่ออภิเศกลูกณนะที่ตรงนั้นแหละ จึงตรัดคำทั้งสามเหล่านั้นคำว่าทำด้วยทองสุวรรเนหิอลังกาตาตรัดไม้ฉลองประบาดคำว่าสเสด็จเคลื่อนขบวนเข้าไปโดยพลอุปาคันชิได้แก่ได้สเสด็จเข้าไปแล้วถามว่าเวลาไหนเวลาที่พระมหาสัตว์ทรงนึ่งใบหมากเม้าดับไฟแล้วประทับนั่งคาว่า ระหนึง่งรุ่งเรืองด้วยพระเดชานุภาพฉลันตะมิวเตชะสาได้แก่เหมือนรุ่งเรืองด้วยเดชานุภาพแห่งพระราชาคำว่าทรงแวดล้อมไปด้วยหมู่อมาตขักคสังคปริปยุลหังความว่าแวดล้อมไปด้วยหมู่อมาตผู้มีความผาสุกด้วยกล่าวถ้อยคำคำว่าจึงถวายพระพรเอตทัพรวิ ความว่าพระเตมิยราชฤษีทรงต้อนรับพระเจ้ากาสิกราชผู้พักกองทัพไว้ภายนอกเสด็จมาบรรณาลาด้วยพระบาททรงไหว้แล้วประทับนั่งได้ตรัสคำนี้พระเตมิยราชฤษีตรัสถามถึงความไม่มีโรคเท่านั้นด้วยคำแม้ทั้งสองว่าทรงปราศจากพระโรคาพาดหรือทรงเป็นสุขสำราญดีหรือ กุลังอนามะยังคําว่าไม่เสวยน้ําจันทร์บ้างหรือกัจจิอมัชชโปตาตะความว่าพระเตมิยะราชฤษีทูลถามพระเจ้ากาศิกราชว่าพระองค์เป็นผู้ไม่เสวยน้ําจันทร์จะไม่เสวยน้ําจันทร์บ้างล่ะหรือปาถะว่าอัปามัชโชดังนี้ก็มีความว่า ไม่ประมาทในกุศลกรรมทั้งหลายคําว่าไม่ทรงโปรดน้ําจันทร์สุรมามปียงความว่าการดื่มสุราไม่เป็นที่รักของพระองค์ปาฐะว่าสุรมมปิยาดังนี้ก็มีความว่าสุราไม่เป็นที่รักของพระองค์คําว่าในธรรมธรรเมได้แก่ทศพิตราชธรรมคําว่า เทียมโยคังความว่าพาหณะมีม้าละโคเป็นต้นที่ควรเทียมในยานทั้งหลายคําว่านําอะไรอะไรไปได้หรือกัจจิวหติความว่าไม่มีโรคยังนําไปได้หรือคําว่าพาหณะได้แก่พาหณะทั้งหมดมีช้างเป็นต้นคําว่าที่เข้าไปแผดเผาสรีระ สรีรัสุ ป, ปตาปิยาได้แก่ที่เข้าไปแผดเผาพระวรกายคำว่าป จ, จันตะชนบทอันตาได้แก่ที่ชายแดนคำว่ายังเจริญดีอยู่ผีตาได้แก่มั่งคั่งมีภิกษาหาได้ง่ายอยู่กันหนาแน่นคำว่าในท่ามกลางมัชเชจะได้แก่ท่ามกลางรัฐ คำว่าเป็นปึกแผ่นพระหลาความว่าชาวคามและชาวนิคมอยู่กันเป็นปึกแผ่นคำว่าบริบูรณ์ปฏิสันติตังความว่าปกปิดแล้วคือคุ้มครองดีหรือบริบูรณ์คำว่าประทับนั่งนิสั ก, กติความว่าพระมหาสัตร์ว่าจงทอดบลังซึ่งเป็นที่ที่พระราชาจากประทับนั่ง พระราชาไม่ประทับนั่งบนบัลลังก์ด้วยความเคารพพระมหาสัตว์ลำดับนั้นพระมหาสัตตรัสว่าถ้าพระราชาไม่ประทับนั่งบนบัลลังก์ท่านทั้งหลายจงปูลาดเครื่องปูลาดใบไม้ให้ทีเถิดเมื่อทรงเชื้อเชิญพระราชาให้ประทับนั่งบนเครื่องปูลาดที่ปูลาดไว้นั้นตรัสคาถาว่าขอเชิญมหาบาพิษ ประทับนั่งบนเครื่องปูลาดใบไม้ที่เขากำหนดลาดไว้เพื่อพระองค์ในที่นี้จงทรงเอาน้ำแต่ภาชนะนี้ล้างประบาทของมหาบาพิตรบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าที่เขากำหนดลาดไว้นิยะเตะได้แก่จัดตั้งไว้อย่างดีพระมหาสัตว์ตรัสแสดงน้ำสำหรับบริโภคด้วยคาว่าเอโต จากภาชนะนี้ด้วยความเคารพต่อพระมหาสัตว์พระราชามิได้ประทับนั่งบนเครื่องปูลาดใบไม้ประทับนั่งณพื้นดินพระมหาสัตว์เสด็จเข้าบรรณศาลานําใบหมากเม่านั้นออกมาเมื่อจะเชิญพระราชาให้เสวยจึงตรัสคาถาว่ามหาบาพิษใบหมากเม่าของอัตมาภาพนี้เป็นของสุขไม่มีรสเค็ม ขอมหาบาพิษผู้สเสด็จมาเป็นแขกของอาตมภาพจงสเสวยเถิดลำดับนั้นพระราชาตรัสกับพระมหาสัตว์ว่าพ่อไม่บริโภคใบหมากเม้าโภชนะของพ่อไม่ใช่อย่างนี้เลยพ่อบริโภคข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่ปรุงด้วยมังสะอันสะอาดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพ่อไม่นุจาหังเป็นต้น เป็นคําห้ามที่พระราชาตรัสก็แลกรั้นตรัสห้ามแล้วพระราชาทรงสรรเสริญโภชนะของพระองค์แล้วทรงหยิบใบหมากเม้าหน่อยหนึ่งวางไว้ในฝาพระหัตต์ด้วยทรงเคารพในพระมหาสัตว์แล้วตรัสถามว่าข้อเสวยโภชนะอย่างนี้ดอกหรือพระมหาสัตว์ทูลรับว่าขอถวายพระโพนมหาบาพิตร พระราชาประทับนั่งรับสั่งพระวาจาเป็นที่รักกับพระโอรส